แต่ไปไม่ใช่ไปแสดงว่าเราเป็นผู้มีคมรู้ไปแสดงเป็นลูกศิษย์หอเรียนด้วยทางอุสามีจังหวัดสุบนอำเภอวารินวัดป่าโพงเป็นป่าทึกห่างจากตัวอำเภอประมาณสิกิโลอาจารย์ชาเป็นผู้นำสอนอยู่ที่นั้นอาตมาก็ไปอยู่ด้วยหลายวันหลายวันออกจากนั้นก็มาทางศิษเกต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 แต่คนอื่นอาจจะรู้ตัวแตมาไม่รู้จริงๆเข้าไปสัมผัสกูบาจาันไม่รู้จริงๆเมื่อบวชเข้ามานี่ได้สามสี่ห้าปีแล้วไปสัมผัสกูบาจาันดีทุกองค์โอด้ดีทั้งนั้นนี่ปัญหาที่จะแก้ทุกทู่ให้ฟังพอดีรู้เรื่องรูกนามแล้วหมดทุกความสงสัยเรื่องสมมุติผีเทวดานระกสวรรค์บาปหมดทุกจริงๆแต่อย่าง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 แต่พูดเรื่องน้มันตพูดภาษาบ้านเราดูวบ้านหลังน้อยๆหลังคามุงแฝกจึงเข้าขับหมกกระแดกแล้วกรทํานาทำส่วนได้ไม่ทุกก็เป็นเทวดาได้มันรู้ขึ้นมาอ๋อเรื่องเทวดานะั้นมันไม่ใช่เราเหาะไปอย่างนั้นไม่เห็นเทวดาจะเป็นเทวดาได้ไม่เป็นไม่ได้ตอนที่เข้าใจเรื่องนี้ทุกคนเคยได้ยินมาแล้วว่าพระพุทธเจ้า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 บางทีประเทศนอกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอเมริกาที่ไหนก็ตามเนี่ยเคยมีบริษัทขายซีรีส์คนไหมไม่มีนี่นะนอนใจทําไมเรื่องนี้ตอนนั้นนะอย่างวิ่งเต้นเอาซื้อเสียงเกียรติยศเอาเงินเอาทองเพื่อซื้อตัวเอื่องเมื่อไรจะศึกษาต่อยให้ซีรีส์มันร่วงไปล่วงไปก็วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่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 กว่าอุปเปะขาเฉยๆวางเฉยก็ได้ไม่ใช่วางเฉยไม่มีผ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือวางเสยของเราเนี่ยคนไปทำรายอะไรไม่ต้องพูดต้องจาไม่ใช่อย่างนั้นบางคนวางเฉยมีทรัพย์สินยินีมเป็นล้านๆใครมาเอากระวางเฉยไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจวางเฉยคือจิตใจบันเหนือ